เราเป็นมักบวสำนักชีตามิษยาและทําเป็นเพื่เลียงชีวิตของเรามีการงานเหมนกันชิษยาและทําเป็นเพื่อเลี่ยงชีวิตมีสาระมีแจงสารเราได้ดูดีตัวงดีปอดภัย ใจของเรานี้ถ้าขาดสิ่งดูเดแล้วทกขเป็นทุกเป็นไข่จะมาตะชีวิตในจังนี้การการอิชาตรวันฐานก่อมีที่ตั้งมีการกระทําอยู่ไม่ใช่ยืนอยู่ลมๆเล่นๆต่อมีที่ตั้งให้สติ มีกายมีใจมีสติดูเราการใจของเร า, าระลอบพ่อระ น, นารอบดูเรากายดูเรใจอย่างเดียวเห็นลูกเห็นรถเห็นกีนเห็นเฉียนเห็นอารมณ์เห็นอาการสัมผัสเกิดขึ้นก็ดูเราาื่อจัิรักษา เปลี่ยนมามเลวเป็นความดีเปี่ยนคินเป็นความรู้อะไรต่างๆมันก็ทําได้มหลงรู้อะไรต่างๆก็มาเกิดขึ้นกับปานกับใจมีฐานมีสติรู้จุดตัวรู้สึดตัวก็มีอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตัวตัวนี้เป็นที่ตั้งตัวตว น, นนี้อัตยอัตโนนัโตโตต้นั่งแยเป็นที่พึ่งของตน ความรู้สิกตัวกันตนเป็นความดีความดีนี่ขึ้นได้มันคงมันคงเหมือนสนุนสนการที่เขาทำเป็นมิตรภาพแน่นหนามันคงจะเป็นหลายตังมันก็มาเกิดทุกข์เกิดทุเทศไอเจของเรานี่ ถ้าเราทำให้มันมั่นค ง, งนนก็เหมือการเกิะเจริญตายได้ปัจจการรู้จักตัวนี่แหละอาดเข้าไปอาดเข้าไปตรงรู้จักตัวอยู่ใที่ใดที่นั่นก็นมั่นคงไม่งอแน่นกอนแข็ง เ, เวลาทุบรู้จักตัวเวลามันสกปรู้จักตัวเรียกว่านักแม่น กันหนักแน่นเช่นนี้มั่นคงเช่นนี้แล้วว่าสมาธิบลัยเขาลงเหมือนกับคว่านห้เป็นสิงศิลาศิลาคือสิงสงธรสิมจากคาว่าศิลามีศิลาไม่บรรลยผู้มีสิงในรรลยเขานินทางส่วนสริญสุข กามีสมาธิมั่นคงเสวยงไปมีปัญญาก็รู้เกี่ยวข้องกับจริตต่างตูตกต้องเนี่ยสติมันเป็นอยังไงมันเข้ารีบไม่เหมือนนุน่นมันก็เป็นเท่ารีบเป็นนุ่นได้ชีวิตของเราหน่อยวันนึ่งไม่มีอะไรมันกระทบก็เกิดขึ้นจากตัวของตัวเองจป็นเเป็นปัจจุกันมคุณ ที่เกิดขึ้นมีตามีมหูเนี่ยมันก็เป็นไปจำลองมั้งกระจายผู้ตาผู้หูจมูกริงกาใจรูปรสจิงเสียงมันก็เป็นไปเหตุใจัยมันเกิดที่ตรงไห น, นก็ไปทำเหตุทำปัจจัยไม่รู้จักเปลี่ยนให้เป็นปัจจัยเป็นเหตุที่ดีแล้วก็ทำอย่างนี้โต ว, วันโตคืนครึ่ง จะไม่หวนหวายมีแต่เห็นมีแต่รูกไม่เข้าไปเป็นรู้หมดสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับปากกระใจนี้เป็นความีความชั่อเนความผิดความถูกเป็น ค, ความสุข ค, ควทุกข์ำทำกับขาวเปลี่ยนได้เปลี่ยนทำดังทำทำหาเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่คือความรู้สึกตัวเนี่ยอาศัยตบทช่วย อาเศรฐันตั้งช่วยอาเสรหลัช่วยรู้สึกตัวแน่จะไม่วันไว้ไีกุศลดีแล้วมั่นคงเรื่องหนึ่งที่เราบอกันว่าอาจารย์ฮิโอินปฏิบัติธรรมอยู่วัดหนึ่ง สอง้านหน้า้าหนึ่งมรูกสาวล้านหนึ่งไ ม, ม่ลูกชายการ้ า, นนาสองล้านมีผลประโยชน์การแขงขกั น, กนค่อยจะสอมังคีกันแต่ลูกสาวลูกชายเกิดรักกันแล้วารเล้งสองขึ้นมา ต้องการโตขึ้นแม่ก็เห็นก็จะใช้ใจถามก็จะบอกว่าชายนุ่มลานท้าเป็นข้อเด็กเจ้ากัวพ่อกลัแม่จะตาโทษเพราะไม่ถูกกันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์อยู่วัดอาจารย์นี้โกอินอยู่วัดเป็นพ่อของเด็กตังนงใจให้โก อ, อิน ก็ไม่รู้อาไรอแม่ของหิงสก็พาชาวบ้านาอาจารย์เทพบุญเสีให้อาจารย์เทพบุญก็เป็นไงฮะ้าว่ายนี้อาจารย์เทพบุญก็บอกว่าชาวว่านั่งเยอโยมด่าเท่าไรเท่าไราวว่างนั่งเยอโยม ไม่ว่าจะแบบพกเง้นหือเจอคนด่าตัดไปว่าชวนบาวนเมางชวนผู้จนคนอุตโมตาไม่หนี้ระตายจันตอบวากระตายเลี้ยงไปว่าหาอหามาส่งออกมาทำอย่างนี้ เราอ่อาาวมดเชานมเชาแ่เจอาจารย์นิก็เขาว่านันโยมอย่างเดียวนี้ดหญิงสาวพ่อลูกออกมาแม่ของหญิงสาวุลูกน้อยเด็กน้อยมาให้เอ้าลูกคงเลี้ยงเราอาจารย์นิพพย์กเขาว่าโยง ก็มีอะไรเล็กน้อยก็เลี้ยงไปมีนอมอะไรก็ให้เด็กน้อย ก, กินไปมีคนมีคนมาดา่าอย่าเล้ยอาจารย์ก็ว่าเขาว่า่งนั้นหรือยวใครด่า อ, อยา่างไรก็เขาว่าน่้อเูุ่ดที่สุดก็มีคนที่เชื่อบา้างไม่เชื่อว่าแล้ไม่มไ ด, มด้ถูกด่าฟังหมูหรมู มันล้งตาที่พูดในคาได้ยินไหมตับหมูหมาไม่เชื่ออะไรไม่เปหาอาจารย์ดูแต่ว่าแม่ของเด็กน้อยเป็นคนลูกเองพ่อของเด็กเป็นคนลูกเองสินสารมันหลอกอัมตางใจความคิดเป็นความคิดคมจริงเป็นควจรงปวดม่นทนไม่ได้ก็ไบอกแม่บ้าง พ่อของเด็กไม่ใช่น้องพให้กเยิดอกเป็นลูกชายล่านี้แม่ขอเด็กน้องก็ซีใจนี่บอกว่าราดอกไม้ทเ็นไปวุ่นชาขอพระอาจารย์ที่เยมทนันกไวหนอจหนออเป็นบบกรรมอาจารย์นี้เนเด็กเขาทำงานประโย แมเของเด็กเขาเก็บน้อยขึ้นมาเพราะเพราว่านัหลืวโย่เท่าไรมันองไม่เหมือนหลวงพ่เขาจิตใจดังที่ไม่เกลียดฝ่อหลงจนไดผู้ฝึกฝนงนไปแล้วไม่เหมือนไหว้พระหนึ่งการสังเกตุิภาพของเกีติมาตรฐานของกียติมันก็เหนือการเกิเจ็บตาย แล้วก็เริ่มต้นเกิดตัวเองเนี่ยมันสุขเข็มมันสุขไม่หวั่นไหวความสุขมันทุกข์เข็มมันทุกข์ไม่หวั่นไหวความทุกข์มันอะไรเกิดขึ้นมันกวดมันเมื่อยมันอะไรที่เกิดกับแฟกใจเห็นเห็นไหมก็เริ่มต้นไปจากนี้เห็นแล้วมันเข้าไปเห็นกับมันแล้วเรื่มต้นที่มันจะเข้มแขรงแล้วก็มีความรู้สึกตัวเนี่ย อะไรที่มันไม่ใช่ควาตรูต้จักเกิดขึ้นใส่ น, น, น, น, น้าสงหลังก็ว้หน่งมันรตามรอวัวอยาที่เ่ามยแไปรอยบตวนี้ตมยเ่ามแลแล้วก็ดูมระติตเรา ม, มันตามนั้นก็เจอกเลยก็บจอกาโน่นมนไ่ไปแลดีล พวกโจรเขาเป็นขโมยทั né, ้งนบ้านนีอ <unatt> ง <ain language> <quer> ้อยหมอยปวยตกไปอยู่บ้านนองข้อห้อยมอยอามอเปวยเล่อยหัวทักต่อยเพว่าก็พยยามเก็บแม่เลื่อยลยัวยปจกเกิแล้วก็ดูวันตีจังหวะมันก็ต่างกันอยู่นะ รีพอจะเข้าว่าครับเราก็ดูมันกแยกรักออตุงนาพอออกตามกลงน้าเลยดูฮมันซ้อนกันนานไหมตอนลุน้ำอ่าลงนมันนลก็ล่อนาขึนมีน้ำก็จงควายลงน้าไปเลยแล้วก็ไม่ไดตามรอยน้ไปสังเกตมันจะขึ้นตรงนั้นแหละไปดู เราดูล็กขนาดเรเห็นน่อยขึ้นลอยข้ยขามพนายข้ามเราหน้าไปข้ามพนายเราหน้าไปเราหน้าไปเราหน้าไปจนถึงขึ้นโคกหมอหนาเราเจ๋เราไปเจ๋งเราโอดีขึ้นโคกไปจะมีไปไหม้ต้นเชื่อกมันเป็นที่เท่าโอ้ทุ่งไปไปตามที่เท่า เราก็สองท่าเกียวไห่เหียมมาร็หน้าล็อก้ามองก็ไปรอยเห็นควายปล ก, กตังจุกดินเกเงยหน้าไม่ได้โจรมันก็จะมาให้ควายมลองไปลรมันก็เอาตามจะ ง, งกโค ก, กสนตะไค่จุกตรกับขอไมมัก็เิยหน้าเลืนหน่อก็เห็นเลยแล้วออกมาหน้าประจุแบบจะเอายังไงดี บางก็โกว่าให้เราตักอยูนีเพื่อจูนมันจะมาถ้าจนมาก็จะได้ตักมายิงมาทิ้งที่ไม่ถังเออเออก็เราก็ตัดสินใจไม่เอาควายกลับบ้านดูแบบไม่ต้องไปดูตัวใครนองเห็นมันแล้็เจาอตัอดูหน้าดูหลัมองกลองดูแล้วเรา ตั ว, ตวมีไห ม, นไมไนันตารด้กับความหลงไหมเจอดวยเ้วยเจอด้จอด้วยตัวตั ว, วตัวนอามกับความสุขไหมเจ็คก็ไปเงี้ยตามไปตาไปลอยกับพุฏิเจ้าอยู่ตรงนี้โอ้โอโอกุเจ้าเดนี่มีกุ้งงอหงอกุฏิเจ้าก็สตัวทงเดียวกันนี่อนะุ้ยเราก็งอกุเจ้ามาเนี้ยนะน่วรณ์เราทำเป็นเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุผลงนานกวาดี เวลาไหนทีวันเราข้อมนแล้วก็อ่อนเกียวไเลยเช่นกลวงงอยกมือไม่ขึ้นาต้องปืนไม่ขึ้นหายปากอนอนไปเลยมันเข้ามาเราเวลานั้นน่ะมาเกิดอะไรขึ้นตามกระสพวงลูกใหม่เราก็ใสกลมมาถายมายกมือมเรางวงไป ยกยยกขึ้นบนเดินยกขึ้บนเดิกเวียนมลตย่างติสาวสีตเลยอกฟักตกฟกกนี่นื่อความกระนเมื่งความต่นนะแงมันตงกันความื่อความความเข่นแต่มันเปลี่ยนได้ไหมฮะ ปฏิบัติทำรอมันใช่มันเปลี่ยนไม่ได้มันทาได้ปฏิบัติตั้ให้ผลได้มันเปียนขนาดมันเลี่ยนได้ขนาที่มันง่วงนบ่ช่งก็างคืนเลยไม่หวานแต่เวลาแดมันวงหรรู้ตรงนี้เวลาดมั่วู้เวลามันเลยสงสัยมันรู้สึกตัวไปหาคิดอะไรมาตอบหาคตอบจะกควคิดอมารู้สึกตัวออกไปก่อนแนี้ ปฏิบัติธรมใ้มันตรงอย่างนี้ปฏิวัติต้นปฏิบัติไปปฏิวัติ้นให้มัน้นพ้นปัญาให้เป็นธรรญาปัญาไม่เป็นธรญาเนี่ยมันก็เป็นกันขึ้นมาสิ่งที่มันผ่านไปมันก็ผ่านไปมันผ่านแล้วว่าอีกเอาไว้หลังแล้วไว้หลังอีกเนี่ยเหมือนเราเดินทาง จากุเมาเชียงคกผ่านมนฝั่เมืองข้ามาจากเชีงคกงเทพก็ผ่านนุ่งหวนี้ไปแต่ <c oughs> ก็ก้าวไปเรื่อยๆการเดินทางก็ไปเรื่อยคมรู้สึกตัวก็ผ่านไปเรื่อยผ่านอะไานควมหลงกวจะมีผมรู้สึกตัวมันคันได้หละมันก็อ่านคงงวาหลครมเจริญรต่างๆรู้สึกตัวมันผ่านไปเยอะแล้รู้สึกตัว มันปวดวิชามัก็มีสีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วต้องรู้ตัวๆเนี่ยต้องไปถามไปเอาเหตุเคาผลอะไรไปประกอบแล้วนี่มัใช่เหตุใช่ผลเป็นสัรษฐธรรมเป็นปรรมะเป็นปัชญาสภาวธรรมอย่าให้เหตุเอาผลบางคนมีสมองมีปัญญาเอาเหตุตอเอาผลแลปัญญามันประกอบไม่ใช่เลย เป็ น, นการกระทรู้สึกตัวหนงรู้สึกตัวหนึ่งเหมือ น, นเราเกะอ่อยโว่อยวยขโมยโจรอะนี่ฉันเลยก็ดีอันปฏิบัตินานีมก็เหมือนกันอย่าอะไรก็เ บ, บ, รร บ, บ, บาล็อกปูล็กได้ใจเบจบางง่ายสองสองายก็สองจิตก็สอส อ, อะไรเกิดขึ้นจากกาก็ ควาแยวงันสิ่งใดที่เกิเดขึ้นเรื่อยๆก็ความแย่ไปมันก็ไปไม่ถึงไหนจำได้ไมว่าหัวใจพวกรักมัจฉ า, าคำท้าได้ยินไห<ม>วตนะตอะไแล้วอะไรปวดปัสาอะไ ร, ร, ะะไรที่ก่อนที่ถึงเรื่องนี้มันมีอะไรมา มัวจะพวบอกว่ามันิชาการท่าเที่ยวท่านเที่ยวท่านคงหงหล่อมั่นสิคำแม่บอเที่ยวท่านเท่าเที่ยวท่านคงหงหล่อมั่จะคำหงขืนอันภาษาเ่าต้องคงหงลอยมันสิคำมั่วจะพัวบอกกว่ามัจิชากาท่าไปไม่ถึงไหน พวกวาๆก็เลยสดๆตุกๆล็อกๆสังๆผิตๆตุกๆมีไหมว่ออาๆมันสื่อารกัน้ า, า, าเมื่อจะกิดอยู่ดั้นไม่เข้ามาถึงตัวลกูกมันก็ชาไปแ้วตัวลกูกแต่ที่ตัวลูกมันเสีนงๆก็อ่อนอยู่ด้วยเหมือนยอดม้ที่มันอ่อนขึ้นมาอะไรนะ ตอนมะแวงมากม่วงมากกราบไปปวดต่ไปเกิดขึ้นไปแล้วกวงขาดอีกปวดต่อไปเกิดขึ้นใหม่เยอะไม่อดดอดไม่เป็นผล น, น่นอนเช่นมาม่วงเยอก็ม่วงตอนที่มัจ อ, อดอกออกลูกมันต้องแข่ต่อต้อตปวดก็ดอดดอดไม่เคยมีลูกเลยชัดเจนก็ดีคี้ตรงหนอินชีมันอ่อนได้สติอินชีมันออน ร meat, ah, ู้กู the table, the mother, the ้รถกิเ <mae> ส <'S S 1> ียงนะแกแล้วก็จรื่ไปตำหนักง่ายไปตำหนักนี่สก็ไปตำหนักสนั่าไปตำหนักอินทรียตามหูถูกหูดึจายของต่อเลยก็ต่อติเหมือนน้องอินทร อย่ไปใหญ่ขนาดหนอ่ะไม่เลย่ง น, น, นกกินสีอย่างนี้นต้องกินมาเลยจับได้งเลยถ้าเข้าข้างอย่างนี้ไวส่งเสริมนี่ไว้ให้มั่นคงเอาไว้อย่าอ่อนแออย่าวันหม่เบ่อเฉ่อยี่ส่วนแระกเอาไปมันเบือนาเกลียดข้านท่าแท้เือดชะตาขึ้นมาทกทา ความเริ่มใส่เรื่องใสว่าทําดีมันก็ดีทำชั่วโมชั่วเชื่อตรงนี้มากแล้วเราก็เค่อยค่อยค่อยเสียเปียวมันคงชั่วมานะแต่คนดีนีเคยมีความคงใจบ้างไหมที่เราเกิดมาเราโนู้กองหลงเราสัมผัสมานานแล้ว มันเป็นอย่างไงมาที่จะพิสูจน์เป็นคาตอบได้ในตัวเรานีอเองในต้องไปถามใครเราอยู่กับหมูเพราเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกนรารโดอยู่กับหมยกเราอยู่กครู้สึกตัวใครก็ตามถ้ามีคนรู้สึกตัวก็ก็ก็อยู่ด้ยวยกันละอยู่คนนั้โลกอยู่คนนั้นไหนก็ตามไม่มีอะไรที่แตกแตกต่างกันเหมือนกั น, นหมด ชีวิตของเราเนี่ยนี่ออกมาทำอันเดียวกันได้แค่ใครก็มีการใค้ก็มีการใครก็มีทีเด็ดตนาอย่าถึงว่าเราไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนเราเขาดีกว่าเราเราเกว่าขาอย่าไปสมมุติบัญญัติให้กับตัวเองแบบนั้นเป็นความรูถ้าเราบัญญัติว่าเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราเราก็เป็นคเครื่องมีที่เดียมันน่าตื่นเต้นแหละ ตานนี้อ่ะตอนนีสติมันจะได้นิดใส่ใหม่ใหมได้นิดใส่ใหม่นิดใส่เป็นแบบฉบับเป็นคิมที่โหลๆ่ๆมันเกิดเป็นพัฒขึ้นมาในกายในใจเราเนี่ยโคบแบบโคขึงหย อ, อกแบบแบบของเราก็นี่อาญานักปัญญาสติปัาให้มันมีสติ ตัวกาัเวทนา ม, ามีเวทนาจิตนันก็มีธรรมมันก็มีแต่นี้กวนนวธรรมนี่มันก็เป็นธรรมสิ่งธมทิิปัญญาก็เป็นธรรมความสงบ ก, ก็เป็นธรรมความมุง่งสร้างก็เป็นธรรมความสุข ก, ก็เป็นธรรมความทุกข์ก็เป็นธรรมความกวดความรู้ความงงเป็นธรรม ก็ไม่ปวไม่ลูกไม่หลงก็เป็นธรรมแต่ธรรมบางธรรมเป็นธรรมอกุศลเป็นเป็นทรรบาปธบางธรรมก็เป็นกุศลเป็นเป็นธางมบุญผูดีใจเสียใจอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่กับทุกชีวิตแล้วก็แล้ก็ทุ่ไล่ทุ่ดีอยู่นี้สุกสุขสุขอยู่นี้ชีวิตเราเราดีใจก็หวเราะเราเสใจก็รองไห้มันก็เป็นอยู่นี้ นี่เปนใหญ่ตัวนีต้องเสียต้องเสยต้องตายหลานก็มีโอ้เสลี่เลยคือทำบัญตที่วัดชวนคลองห้าเสียจาก็ ท, ทำจิตอยา่างดีกานก็หน้าศพกงลองหน้าศพถวายพระพรให้พระพรเเสียน ลูกสาวของผก็เ็นโรงียนไหนน้อยมาเป็นหมดโรงเรียนเลยติดเครื่องแบบเที่ยงเเกินสองมีลงสุลอนตืนน้านักเรียนมาหมดโรงเรยคเป็นลา้อยาอนยงไหนก็ยังไม่ทนันะอนนั้อันนั้นนี่ไปไปทำดีต่อกานตอนนั้นเ ตำบลนหนก็อมแม่ทำอยงไงทุกวันแม่ตำบนที่ไหนลวัวควายหมูหมา่หมมาไม่มีหรอมีไมม่เคยบางทีก็จีนหมาก็อย่างนี้หมาเรตรานี้ตัวหนึ่งเรียกว่ามองไม่เลียงมันดอกนาจะว่าไม่เคยวาน้อยอยู่ก เออตอก็ไม่ไปสุกีสุนิ่งันนวิ่งนีเหมนเหมหมาท่าอยู่้นก็สำคนอนนี่หลายวงเอาข้าให้กินอันตรายนิสจมันแบบนั้นก็เลยให้เข้ามันไม่เคยเลี้ยงหมาแต่ว่าเห็นหมาตัวนี้มันก็มีเสน่ห์ให้เราศรัทธาตันหมาทุมันดีกจ่อยจอยม่ไม่ดีกว่าจอยมันรักมัน ขโมยของมาตันี้เวกาคนเนี่ยลอนตาลอนยู่สรากับหมานอนมานอนอดู่จัลัน้าเมันเห่าคนมวลใส่ตาไงสั่งว่านั่นก็เห่าลตาก็ฟังมาก็เห่ามาร่อโกจะก็เห่าไปไล่ขโมยเข้ามามันก็เห่าเเปียนว่ามันก็ออกมาวัหนึ่งลอนตาประจุม ปมเรื่องอะไรกันไหมลกหมาบแบบม่องเนี่ยมันก็คนกมาประชมมันก็ยืนเท้าคเคาเนียมว่อเลยเอาม้วมันหอยอะไรมันรู้จักชูไล่มันรู้จักตราไวล้ า, ลางปลาเลหมองอ้รไม่นาหมาหมองตายเลยก็ยไปฆ่ากินไปนะแล้วก็สงสารหาเลย การกินหมาทุกวันางใช่ใช่พอเจอแล้วนี่อันก็บวานทีแล้วก็ ก, ก็มีความดีอยู่กับเราแล้วมองกันอะไรทั้งๆจะให้อารมณ์เป็นคนตัดจีนในคนที่หลุดลับว่าเคยชังเคยร้องให้เคยเสียใจ หลัจากกันไปเสียใจทำบุญตำทานยิ่งใหญ่ทำบุญหาพ่อหาแม่ข้าวัวข้าวายเลือกทำบุญอนยาสุตทำบุญยังไงเล่าปวดเดียวไมมีไปเจอแล้วเอาโลกเป็นบุญข้าวบัวก็าวอยเป็นบุญเวลาที่เป็นๆอยู่มาค่อยทำบุญแม่นั่งอยู่นี่นอนที่นอนของแม่ของพ่อเป็นยังไง สีขาวกลายเป็นม่งสีสีดำไปแล้วหมอนสีคิดสากยเป็นหมอเงินหมอทองรูจกไหมให้เกลียหมอนเงินหมอนทองหมอนไปเป็นเนื้อ้ากลายเป็นชีคัยหมอนดำปิดเลยเรหลสาวลุดชายไปไหนสาวไปไหนลุดชายไปไหน ใช้ไม้เลซักอักมุ้งซักเ้าโบราณให้ถึงเวลาตองดูที่ดวงของพ่อแม่มเวลท่านเจอแอะไรที่ไหนต้างดูพ่อแม่จะกอนดูเราแต่ตนดูแต่เวทีไม่มีเลยหายเยอะที่ซักผ้าโบราณดีๆซักมุ้งซักหนอนดี ก็ว่าผมนอนเล็กนอยไม่น้ำอบน้ำหองผมผมไปสักหน่อยแต่ของตัวเองไม่รู้วยี่ห้วไหนเขาไม่ไม่ดูแลเลยเวลาตายไปแล้วน้งหมองผสกันอยู่ในหลุมศพมีปรนทลายทำห้นงหมองมาว่าน้าหวาน เคยชื่อหมพ่อแม่หมายทงานทำงานม า, น า, มาเอาแม่เอาาวเอนเข้ า, าวา อ, อ า, า, าหอนห้พแมเกลด้วเวลาตายแล้วเอาเข้าวเอาหมอนยืดเดามาเอามาลหน้ามันได้ประโยชน์ลายตะบุญตอนตายแล้วมันมีประโยชน์ลายปัญหามันด้วยไปที่ไหนเิดทาคนใ ห, พให้พ่อแม่เรานั่งอยู่นี่เนี่ย ทำไมไม่ดูแลร้ลอนต้าไม่สั่นสมุนเลยกรมบันหมมนประปเทศก็ไม่อยากไปแล้วได้กินเล้ากินบุหรี่กินข้ า, ว, าวัวข้ากวายกินข้าวไม่ลงมันก็ไม่ถูกใ้เขาตรไหนเราขัดใจคนตลอดเวลาแล้วก็ไม่งอกเลย ก็จะเป็นยังไงแล้วก็สอนทําอยู่เนี่ยบอกกลองเต็บข่มจริงอยู่เนี่ยทําบุญให้ก่อนห้แมัมนทําได้ดีก็ของเรานุ่งเสื้อตัวนี้เหมือนก่อแม่ของเราหนุ่งผ้าถุงตัวนี้เหมือนแม่เราซื้อมาให้บ้างเกี่ยวแม่ก่อใหแม่ว่าอันนี้ทําบุญใะพ่อเ น, น, นี่ยเราเป็นคน ด, ดีเนี่ยเป็นการทําบุญที่สำหรับปฏิบัติทำเนี่ย เป็นคนดีของพ่อแม่นี่ยแม่ก็เรนั่งอ่นี้ก็มีพ่อแม่เราทุกคนจงทาบุญในเรื่องอีกกัรให้มากเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำบุญแล้วมันจิตใจดีแล้วก็ไมนทุกข์ไม่เดือดรพ่อแม่เขาเรอยากให้เราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีด้วยใช่ไมพ่อแม่เราจานี้ อ, น อ, นอน่นี่คือ คุณก็ตามดูต่อไปที น, นั่นองอะไรก็เพี่ยนไปเยอะๆอย่างนี้เรียกว่าสัพท์มปฏิรูปปรูปไปต้นคลิดไปเลยอะไรๆก็มีเด็ดพิธีดีต่อไปตพิธีแม่งไม่พอดีตองก็ดีอะไรก็ยิ่งใหญ่ไป น, นั่เนี่ยปฏิบัติธรรมมันจะเพิดความดีได้ <c oughs> มีกำลังมีความสมอเป็นคนดีที่เยคยเจอพ่อเจอแม่แล้วก็เป็นตัอปอีกเหมือนจิทธิธรมลูกของพระเจ้ทาทศตัณฐ์ามสิบมหวามยวยาได้ความเป็นตนตนคนพระพุติเจ้ารือสอนสอนมาจนพวกเราตัวนี้เราวเป็นค น, น, น, น, ด, นดีไม่ปีเปียนตนไม่ปีเปีนคนอื่น จะมีสติสัมปญญาติดใจของตนจะมีมาตรฐามเหนือการเกิดเจตเกิดกายได้นี้ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยตะรอโอ้อยสวรรค น, น, นี่ผ่านเมื่อตายไปแล้วหรือมันได้จิงมั น, นมีจริงไหมสวรรั์มันอยู่ต้าจะเป็นเดี๋ยวนี้นี่พ่านน่าจะมีอยู่เดี๋ยวนี้ สวนรค์มีใจดีซะให้มันไายสตินี่ทำมันใจร้เป็นใจดีไม่ใช่ใจดีจดอกมีความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะดีถ้ามันใจดีแล้วมันดีแล้วมันดีต่อไปจนเย็นไม่เป็นอะไรกับอะไรสบายนิพพานไม่มีพิศไม่ไร้ายตัวตัวเองและคนอื่น จิตเงินวัตถุอื่นเย็นแล้วก็มีอะไรสองเกิดขึ้นต่อกันแลองกันเราก็มีพ่อมีแม่มีบุตรปัญญาสามีเพื่อนบ้านเพื่อนเกิดเจ็บเจตายสมัยื่วงศาสนาเนี้ยนี่อาจจะเคยวนเข้างตุนโลกได้ตอนมีสิตสมสัญญะดีเขมีสินี้ทำช่วให้เป็น ก็มีสมาธิหนักแน่นไม่หวั่นไหวองมีปัญญาโลกรูปเปลี่ยนคนราเป็นคนดีได้เป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นคนเป็นกุศลทุกคนเปลี่ยนคนร้ายเป็นคนดีที่ตัวเองก็สมบร้องเกณฑ์แต่สันติศุกร์ตระเตร่าขึ้นเดี๋ยวนี้นี่เองอได้ยินไหม เกิดยิ่งเงินอะไครไม่นหัวแคนออยู่นี่อ่ับ่นอวง่